ทำอย่างไรถึงจะไม่มีปมไม่เทียบตนกับใครไม่เทียบใครกับตนไม่นาตนไปเทียบกับใครไม่นาใครมาเทียบกับตัวนึกว่าเขาก็คือเขาเราก็คือเรามนุษย์ในโลกไม่มีใครเหมือนกันถ้าเราเกิดมาเป็นไก่ก็หากินอย่างไก่เป็นนกก็หากินอย่างนก เกิดเป็นปลาก็หากินอย่างปลาอยู่อย่างปลาคืออยู่อย่างที่ตัวอยู่ไม่ต้องเทียบกับใครอย่างนี้จะไม่มีปมถ้าเรานำตนไปเทียบมันก็จะเกิดปมเช่นไปริษยาความเด่นของเขาเกิดเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นมาอีกในโลกนี้ไม่มีใครหน้าริษยาเพราะว่ามันทุกข์กันทุกคนเป็นคนที่แบกทุกข์กันทุกคน มีพระพุทธภาษีว่าอุเปคโกสดาสโตมีความวางเฉยมีสติทุกเมื่อนาโลเกมัญญตีสมังไม่สําคัญมั่นหมายว่าเสมอกับใครนาวิเศษสีนาณีเจยโยไม่สําคัญตนว่าวิเศษกว่าใครไม่สําคัญตนว่าต่ำกว่าใครตัดสะโนสันติอุสดา กิเลสที่ทำให้ฟูขึ้นก็ไม่มีแก่บุคคลเช่นนั้นเป็นพุทธภาษิต ท, ที่น่านำมาสอนใจเสมอสำหรับผู้ต้องการมีชีวิตสงบไม่ต้องการมีปมที่จริงแล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราสำคัญเอาเองความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น อาจารย์ได้พูดถึงทำอย่างไรจึงจะไม่โกรธไว้เจข้อแล้วนะคะขอนามาสรุปไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ 1. พิจารณาถึงโทษของความโกรธ 2. เห็นใจและให้อภัย 3. แผ่เมตตา 4. ระลึกถึงพระจริยาของพระพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกว่าท่านทำมาอย่างไร 5. ให้ระลึกถึงความสัมพันธ์กันในสังสารวัต 6. สงเคราะห์อเอื้อเฟื้อให้ของรับของกัน 7. แยกธาตุว่าเราโกรธอะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่ 8. ฮิริโอตตปะเมื่อโกรธให้รู้สึกละอายตัวเองละอายลูกละอายเมียละอายใครต่อใครที่เราไม่สามารถละความโกรธได้ ปล่อยออกมาโดยเฉพาะรุนแรงด้วยให้รู้สึกละอายให้ตั้งสัจจาอธิษฐานว่าต่อไปจะไม่โกรธอีกบางทีคนใหญ่คนโตเป็นเหยื่อของความโกรธได้ง่ายเพราะว่าได้รับการพินอกพิถ่าได้รับการเอาใจใส่พอคนขัดใจนิดหนึ่งก็จะโกรธรุนแรงก็ให้รู้สึกละอายถ้าเป็นพระก็ให้ละอายเด็กวัดบ้าง เด็กวัดบางคนก็มีเมตตาสงบเสงี่ยมไม่ค่อยโกรธใครคิดว่าเราเป็นพระยังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟให้รู้จักละอายใจบ้างตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่ช่วยให้ลดความโกรธลงคนเราส่วนมากเป็นคนจริตผสมทั้งโทสะทั้งโมหะทั้งวิตกสัทธามันก็รวมๆกันอยู่ แต่บางอย่างมันก็ออกมาในบางเทาวคนที่เป็นคนเจ้าระเบียบทุกอย่างต้องสมบูรณ์พร้อมก็จะอยู่ยากถ้าอยู่คนเดียวเป็น perfectionism ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นก็อยู่ยากเราต้องถือว่าความพร่องเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งถ้าไม่บกพร่องมากเกินไปเพราะอะไรที่มันเนียบเกินไปบางทีทำให้เรากลัวเหมือนกัน ถ้ายอมให้บกพร่องสับ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ทำใจได้อีกตัวอย่างหนึง่งถ้าเราจะใช้คนคนไหนก็ตามต้องยอมให้เขาบกพร่องถ้าไม่ยอมให้เขาบกพร่องเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันตายถ้าใครทำใจได้คือยอมให้บกพร่องบ้างมันจะอยู่สบายทั้งสองฝ่ายก็จะมีความสุขบางรายสามีเขาฟ้องหย่าภรรยาย มีอยู่ข้อหนึ่งว่าระเบียบเกินไปวางอะไรผิดที่ไม่ได้เลยในที่สุดทนไม่ไหวฟ้องยาสารก็ยอมให้ยา่าแต่ถ้าสามีไม่มีระเบียบเอาซะเลยเมียก็ต้องฟ้องย่าเหมือนกันมัชชิมาปฏิปทาดีที่สุดมาคนละเครึ่องทางไม่หย่อนเชื่อจนยานเละเทะไม่ตึงเชื่อจนกระดิกกระเดียไม่ได้ อกุศลมูลข้อที่สามโมหะโมหะคือความหลงความไม่รู้จริงความไม่เข้าใจความไม่ทันเหตุการณ์คล้ายๆอวิชชาแต่ท่านให้คำจำกัดความว่าอวิชชาจายังมหาโมโหถ้าให้เข้าขั้นอวิชชามันต้องเป็นขั้นมหาโมหะอวิชชาคือมหาโมหะหรือมหาโมหะคืออวิชชา โมหาคติในอคติสี่ลำเอียงเพราะความหลงคือความหลงผิดคือว่าไม่รู้จริงและพูดไปทำไปเพราะไม่รู้จริงอคติลำเอียงเพราะโมหะโมหจริตคือคนที่มีจริตในทางโมหะมีอีกคำหนึ่งที่ใช้ในภาษาวินัยโมหาโรปนกรรมแปลว่าการสวดประกาศกล่าวโทษทิกษุ ว่าทำไปด้วยความหลงรู้แล้วทำเป็นไม่รู้เมื่อสงสวดประกาศแล้วยังทำเป็นไม่รู้อีกปรับอาบัตปาจิตตีอันนี้มาจากสิกขาบทที่สในสหธรรมมิกรวัของปาจิตตีเขาเรียกโมหณะสิกขาบทคำนี้น่าสนใจโมหาโรปนกรรมคือมันมีต้นบัญญัติมาว่าพิกษจฉับ พ, พัก ค, คีคิดกันว่า ถึงวันอุโบสถเราไม่ไปทําอุโบสถแล้วทําเป็นว่าไม่รู้พอถึงเวลาพระทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเหล่านี้รู้เพราะว่าเคยมานั่งปาติโมกสองสหนแล้วและรู้ว่าเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยแต่ว่าทะเลทลายเสียส่งเรียกมาเตือนก็ยังยืนยันว่าไม่รู้อยู่นั่นเองแล้วทําหลงแกล้งโง่โมหจริตในจริตหก เราสังเกตคนโมหาจริตอย่างไรสังเกตอิริยาบถก็ได้คนโมหาจริ ต, ร ต, ร จ, รตจะเดินสเปสะสปะเดินเหมือนขยมตัวเดินหนักส้นรอยเท้าจะหนักทั้งปลายและส้นนั่งเมาเมาใจลอยๆจะยืนก็ยืนอย่างไม่ค่อยมีสติถ้าดูที่การทำงานสมมุติกวาดขยะจะจับไม่กวาดหลวมๆกวาดไม่เรียบร้อย กิ่งผงกระจายเกลื่อนกลาดซักหรือรีดผ้าอย่างสุกเอาเผากินถ้าเป็นพระก็ห่มจีวร อ, อย่างหลุดลุย่ยไม่เอาเรื่องเอาราวทํางานไม่ถีถ่ท้วนทําข้างค้างกําหนดแน่นอนไม่ได้การบริโภคชอบอาหารไม่แน่นอนตึกตรองเรื่องอะไรไปบริโภคไปจิตใจฟุ้งซ่านข้าวกระจายลงในภาชนะปากเปิด มาถึงปฏิกริยาต่อสิ่งภายนอกไม่มีความคิดเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นของตัวเองคนอื่นว่าดีก็ดีตามคนอื่นว่าไม่ดีก็ไม่ดีใครว่าสวยก็สวยใครว่าไม่สวยก็ไม่สวยคนโมหจริตมีลักษณะทางธรรมที่เป็นคนท้อถอยง่ายฟุง้งซ่านรำคาญสนเทยยึดมั่นถือมั่นสละคืนความยึดมั่นถือมั่นได้ยาก นี่เป็นลักษณะของคนโมหะจริตในจริต6จากคำภีวิสุทธิมาร์ตราคาจริตในจริต6คนที่มีลักษณะราคาจริตท่านบอกว่าตามปกติคนราคาจริตเดินโดยอาการชดชอยเชื่องช้าค่อยๆวางเท้าวางเท้าเสมอจะยกขึ้นก็เสมอลักษณะเท้าของคนราคาจริต ว้าวกลางมากคนราคะจริตเมื่อยือนก็จะยือนอย่างสง่าผ่าเผยแต่มีอาการลมุนละม่อมหน้าทัศนาการนั่งก็เช่นเดียวกันคนราคะจริตนอนอย่างมีระเบียบวางมือวางเท้าเรียบร้อยเมื่อถูกปลุกให้ตื่นก็ค่อยๆตื่นไม่ผุนผันค่อยๆให้คําตอบเหมือนไม่เต็มใจการทํางานเช่นกวาดพื้น คนราคะจริตถือไม่กวาดอย่างดีไม่รีบร้อนกวาดสะอาดทรายไม่กระเด็นมากฝุ่นไม่ฟุง้งคนราคะจริตทำอะไรละเอียดน่าชมล้างถ้วยล้างชามก็ค่อยๆล้างล้างอย่างสะอาดเรียบร้อยการแต่งกายเรียบร้อยเสื้อผ้าซักสะอาดอย่างดีแต่งแต่พองามถ้าเป็นพระก็ดูจากการห่มจีวร คือห่มจีวรไม่ยุ่มย่ามไม่หย่อนยานไม่ตึงนักหน้าเรื่อมใสเป็นปริมนพลการบริโภคอาหารชอบอาหารรสกลมกลม่อมไม่เผ็ดจัดไม่เปรี้ยวจัดไม่เค็มจัดบริโภคด้วยอาการละมุนละม่อมไม่รีบร้อนมุงมามได้ของพอใจแต่เพียงอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องการอาหารมากอย่าง ปฏิกิริยาต่ออารมณ์ภายนอกเห็นอะไรสวยงามเพียงเล็กน้อยก็พอใจดื่มด่ำในสิ่งนั้นเช่นเห็นคนคนหนึ่งถ้ามีอะไรสวยอยู่สักอย่างหนึ่งเช่นใบหน้าสวยหรือเสียงเพราะแม้จะมีอย่างอื่นไม่สวยก็ไม่เป็นไรไม่คิดถึงข้อบกพร่องอื่นๆเมื่อจะต้องจากไปก็จากไปอย่างอะไรอวร น, นี่คือลักษณะของคนราคะจริต แต่คนส่วนมากเป็นจริตผสมไม่ใช่เป็นจริตอย่างเดียวอยู่ที่ว่าอย่างไหนจะออกหน้าจะเป็นบางระยะโมหะจริตหลงรักเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมตอนนี้เรามีข่าวมากเรื่องนักเรียนขายบริการทางเพศนี่เพราะความหลงหลงค่านิยมที่ผิดหลงรักตัวมากเกินไป เอามาเป็นข้ออ้างเช่นว่าหาเงินเพื่อไปเรียนหนังสืออันนี้ฟังไม่ขึ้นเหมือนที่คนปล้นร้านทองอ้างว่าจะเอาเงินไปเรียนหนังสืออย่างนี้ถือว่าหลงผิดหลงตัวลืมตายหลงตายลืมแก่หลงเมียลืมแม่หลงเล่าลืมทำนี่เป็นคําพังเพยสุภาษิตโบราณท่านบอกว่า นักปราดหรือบัณฑิตพอนึกถึงการสแสวงหาความรู้ดูเหมือนจะไม่แก่ไม่ตายแต่พอนึกถึงความไม่เที่ยงก็รู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้หลงกายลืมแก่แก่แล้วก็ยังติดในผิวพันธ์ต่อสู้กับความแก่สุดรธิ์แต่ในที่สุดก็ต้องยอมแพ้หลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัว หลงโลภหลงเชื่อหลงเชื่อนี่ก็สำคัญเหมือนกันดูตามหน้าหนังสือพิมพ์คนเล่นหวยเจออะไรก็ไปไหว้เรียกว่าหลงผิดเข้าใจผิดนิทานฮินดูเขาเล่าว่าตัวแก้วตัวดักแด้เวลามันจะเป็นผีเสื้อมันจะมึนงงไม่รู้ว่าตัวเป็นอะไรมันนึกว่ามันจะต้องตายก็เรียกญาติพี่น้องมาประชุมกัน ว่ามันจะต้องตายแน่สั่งเสียอะไรกันพอซักระยะหนึ่งมันต้องเปลี่ยนสภาพเป็นผีเสื้อพอเป็นผีเสื้อแล้วโบยบินไปไหนก็ได้สะดวกสบายหันกลับมาดูชีวิตเมื่อตอนเป็นตัวแก้วมันก็รู้สึกว่าเออมันหลงผิดไปตั้งนานหลงติดอยู่ในภพของดักแด้อะไรอาวรกับการที่จะต้องตายหรือเปลี่ยนสภาพถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่เป็นทุกข์อะไร เขาเล่าเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบกับคนเวลาจะตายมันก็คิดมากแล้วก็สั่งเสียเป็นการพัดพลากสูญเสียมากพอตายจริงถ้าเป็นคนมีศีลมีธรรมได้บำเพ็ญความดีไว้มากก็จากกายเนื้อไปเป็นกายทิพย์อยู่ในโลกทิพย์อย่างเทวดาที่สบายกว่าตั้งเยอะเลยเลยละลึกได้ว่า เรามัวหลงร่างกายที่มันเดือดร้อนเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหลงผิดเสื้อตั้งนานที่ไปหลงผิดร่างกายพอตายแล้วไปได้พบที่ดีที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนทำลายภาชนะดินแล้วไปได้ภาชนะทองคำเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นไปตื่นในที่ดีกว่าตั้งเยอะนี่ก็เป็นการหลงผิด ถ้าในระดับสูงขึ้นไปสักหน่อยก็คือหลงบวกหลงลบถ้ามีปัญญาสูงสุดมันจะ transcendence of duality คือข้ามพ้นจากความเป็นสองคือ Negative และ Positive ไม่มีอะไรบวกไม่มีอะไรลบข้ามพ้นโลกียะไปเป็นโลกุตระเห็นการด่าและการไหวเสมอกันได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศล อาลัดถังยะดีดังสาธุนาลัดถังกุสลังอิติพ้นจากไม่หลงบวกหลงลบนินทาสรรเสริญต่างๆแต่เราปุถุชนก็อดหวั่นไหวไม่ได้แต่ถ้าฝึกบ่อยๆมันจะเคยชินกับสภาพอย่างนั้นยังเป็นต้นไผ่อยู่ถ้าเป็นภูเขาลมพัดมาก็เลยไปเองต้องเปรียบคนหนักแน่นว่าเหมือนภูเขาศิลาล้วน ย่อมไม่หวั่นไหวกับลมที่มาจากทิศทั้งสี่หัวข้อต่อไปนะคะเรื่องปัญญาโมหะกับปัญญาเอาปัญญามาไล่โมหะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกถูกโมหะผูกพันเอาไว้ปรากฏเป็นรูปเหมือนว่าจะควรยึดถือหรือจับต้องคนพานถูกอุปธิคือกิเลสผูกพันไว้ ถูกความมืดคือโมหะแวดล้อมจึงปรากฏเหมือนเที่ยงแต่ความกังวลไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งอยู่นี่ตอนหนึ่งนะครับมีอีกตอนหนึ่งว่าสัตว์โลกนี้มืดมนนักมีน้อยคนนักที่จะเห็นแจ้งความเป็นจริงน้อยคนนักที่จะไปสวรรค์ได้เหมือนนกที่หลุดจากข่ายมีน้อยนักเหมือนที่พูดกันว่า คนไปสวรรค์เหมือนเขาโคคนไปนรกเหมือนขนโคทางดำเนินของคนก็ดำเนินไปนรกมีน้อยคนนักจะไปสวรรค์ได้เพราะโมหะปกปิดไว้ห้อมล้อมไว้พระพุทธภาสิบบางแห่งกล่าวว่าเพราะโมหะคนทั้งหลายจึงทำบาปปาปานิกรุนติโมหา ฉะนั้นทางที่จะเป็นไปได้ที่จะให้โมหะจางคลายลงไปหมดไปก็คือเอาแสงสว่างคือปัญญาศาสตร์เข้าไปขอย้ำเรื่องที่พูดเรื่องสติปัญญาบาลีเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาซึ่งเป็นธรรมคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้ วิริยะสติสมาธิก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมที่คล้อยตามปัญญาย่อมทรงตัวอยู่ได้จากพระไตรปิฎกเล่มที่1 9ข้อ989ทั้งวิริยะสติสมาธิศรัทธาจะคล้อยตามปัญญาทรงตัวอยู่ได้เพราะปัญญาเหมือนกับว่าเป็นหลักแล้วสีอันนั้นมาพิงอยู่กับหลักคือปัญญา สติกับปัญญามีพระพุทธภาษิตตอนหนึ่งลองยกมาให้ช่วยกันพิจารณาภิกษุนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีการศึกษาเป็นอนิสงส์มีปัญญาเป็นเยี่ยมมีวิมุตติเป็นสาระมีสติเป็นอธิปไตยสิกขานิสังสารพิขเววิหาระปัญยุตตาวิมุตติสารา สตาทิปปเตยยาเมื่อเธอทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมจะหวังผลอย่างหนึ่งอย่างใดได้ในผลสองอย่างคือการได้บรรลุเป็นพระอรหันในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปธิอยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีอยู่ในอิติวุตกะคุทกานิกายเล่มที่25ข้อ224 ตามพระพุทธภาษีนี้ดูเหมือนปัญญาว่ายอดเยี่ยมแต่ก็รับรองผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีแต่บางทีบางคนก็ว่าถ้าสติมากเกินไปก็จะทำให้เป็นคนเชื่องช้าถ้าปัญญามากเกินไปก็จะทำให้หุนหันพนลันแล่นยกตัวอย่างท่านเจ้าคุณสวัสด์นายกสภา นิสิตเข้าไปประท้วงกันมีปัญหากันท่านเข้าไปที่ห้องไม่พูดพร่ำทำเพลงท่านก็เขียนบนกระดานว่าอย่าให้ปัญญาอยู่เหนือสติอันนี้คือว่าปัญญาถ้าขาดสติปัญญาก็จะแล่นเกินไปบาลีก็พูดถึงบ่อยๆเรียกอติทาวันโตแล่นเกินไปขาดสติเป็นตัวเหนียวรั้ง ปัญญาเป็นตัวตัดสินบางท่านที่พูดว่ามีสติคอยเหนี่ยวรัง้งแต่ว่าเหนี่ยวรัง้งเหนี่ยวรัง้งแต่ไม่ตัดสินสักทีหนึง่งคือรอบครอบจนช้าสติมากกว่าปัญญาก็จะทำให้ตัดสินใจช้าเกินไปแต่ถ้าหากว่าปัญญามากเกินสติก็ทำให้เกิดหุนหันพนลันแล่นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับหยิบของขึ้นมา สติเป็นตัวดึงเอาของเข้ามาใกล้ๆให้ดวงตามองเห็นชัดดวงตาคือปัญญาให้ปัญญามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็คัดเลือกได้ท่านจึงมีคำว่าโยนิโสวิจินเนธรร ม, มังดึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายปัญญายัดถังวิปัสสติจะเห็นเนื้อความด้วยปัญญาหรือบทที่ว่า ปัญญายะติตินางเศษถังบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐที่สุดและท่านมีวักต่อไปว่าตันหานะกูรุเตวสังเพราะว่าตันหาเอาเข้าไว้ในอำนาจไม่ได้ทีนี้พิจารณาจากพระห้าก็มีสติพระอยู่ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา และก็มีสุภาษิตอยู่ชุดหนึ่งที่ว่าผู้ที่มีปัญญาเป็นหลักสติสมาธิศรัทธาวิริยะจะมาเกาะปัญญาอยู่คือปัญญาจะเป็นตัวยืนเป็นหลักในพระห้านะครับถ้าถือตามที่มาต่างๆที่กล่าวมานี้พอจะลงความเห็นได้ระยะหนึ่งก่อนว่าปัญญาสำคัญมาก ฉะนั้นในพวดชงจึงถือว่าปัญญาสําคัญมากแต่ว่าต้องอาศัยกันนะครับหัวข้อต่อไปการทํางานคือการปฏิบัติธรรมคนส่วนมากมีคอนเซปที่ค่อนข้างจะไม่ตรงคือคิดว่าถ้าทํางานก็จะปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าปฏิบัติธรรมก็ต้องทิ้งงานไป ที่จริงเราจะต้องเอาการปฏิบัติธรรมมาไว้กับการทํางานด้วยถ้าคนทํางานไม่เอาการปฏิบัติธรรมมาไว้กับการทํางานการทํางานนั้นจะเหลวไหลเลอะเทอะคอรัปชันทุจริตสารพัดที่จะเอารักเอาเปรียบเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างต้องเดินอยู่บนธรรมะไม่ว่าจะทํางานอะไรเป็นอะไร ต้องอยู่บนรากฐานของธรรมะทั้งนั้นเลยนี่คือการทำงานคือการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นว่าต้องทิ้งงานไปเพื่อการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าใครพร้อมที่จะไปอย่างนั้นเพื่อไปให้เร็วไม่เอาอะไรเลยจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวสงบอยู่อย่างเดียวหรือจเจริญสมถะอย่างเดียวอันนั้นก็ตามใจนะครับ แต่ถ้าถือว่ายังทำงานอยู่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องถ้าคนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะปฏิบัติธรรมแล้วไม่ประกอบอาชีพไม่ทำงานถ้าเป็นอย่างนั้นกันหมดหรือเป็นกันมากคนที่จะไปปฏิบัติธรรมนั้นจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่ไม่มีคนอุปถัมภ์ คนที่อุปถัมภ์คนที่ไปปฏิบัติธรรมก็คือคนทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานนั่นแหละเป็นคนที่ทำงานไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยคงติดอยู่ที่ความหมายคำว่าปฏิบัติธรรมก็จะหมายถึงต้องไปนุ่งขาวห่มขาวนั่งสมาธิวิปัสสนาการทำงานเขาคิดว่าไม่เป็นการปฏิบัติแต่เป็นการประกอบอาชีพ แต่ถ้าประกอบอาชีพให้ประกอบด้วยธรรมคือหมายความว่าสุจริตมีการเกื้อกูลผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบเป็นคนเอื้ออาทร น, นี่คือการมีธรรมแล้วทำมังจเจรสุจริตังปฏิบัติหน้าที่ให้สุจริตถ้าเขาทำงานในหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่า โยนิโสวิจินีธรร ม, มังคือขยายขอบเขตการปฏิบัติธรรมให้คลุมไปหมดเถอะทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมสุจริตทุกอย่างคนที่ไถนาอยู่ในนาคนสวนอยู่ในสวนอาจจะปฏิบัติธรรมมากกว่าอยู่ในโบสถ์ก็ได้ถ้าเขาทำนาทำสวนนั้นอย่างสุจริตถูกต้องโยคียไปบาเพ็ญตบะอยู่ในป อีกาบันที่รถเอาก็โกรธเพ่งกระแสจิตมองขึ้นไปข้างบนอีกามันตกลงมาก็คิดว่าเราพลังจิตแรงจังเลยสําเร็จแล้วการปฏิบัติของเราสําเร็จแล้วทีนี้ก็ไม่อยู่ป่าแล้วเช้าขึ้นมาก็ไปพิกขาจารย์ที่บ้านแม่บ้านแกเห็นแล้วก็วุ่นอยู่ในครัวทําข้าวให้ลูกให้สามีของแกทําหน้าที่นั่นแหละ โยคียืนนานก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คงไม่รู้ว่าเราเป็นใครมีอนุภาพแค่ไหนพอคิดอย่างนี้ผู้หญิงก็ตะโกนออกมาจากในครัวว่าท่านที่นี่ไม่มีอีกานะเอ๊เขารู้ได้ยังไงว่าเราคิดเรื่องนี้อยู่พอทำอะไรเสร็จแล้วอุบาสิกาก็เอาอาหารมาให้ก็ถามอุบาสิก า, กาว่าท่านรู้วิชานี้ได้อย่างไร อุบาสิกาก็บอกไปเรียนกับพ่อค้าขายเนื้อในตลาดแกก็ไปไปยืนคอยพ่อค้าขายเนื้อลูกค้ายังเยอะอยู่ก็ตัดเนื้อขายไปเรื่อยเเห็นแล้วว่ายโยคีมายืนอยู่ก็ทำเฉยทำหน้าที่ของตัวไปพอขายเนื้อหมดแล้วยโยคีก็คิดอีกเอ๊ะเราก็เป็นคนมีสักมีสีทำไมต้องมายืนคอยไอ้คนขายเนื้อ พอคิดอย่างนี้พ่อค้าขายเนื้อก็ตะโกนออกมาว่าท่านอยากได้ของดีก็ต้องอดทนหน่อยเอ๊ะเขารู้ว่าเราคิดอะไรก็อดทนยืนคอยจนทบ ข, ขายเนื้อเสร็จแล้วก็ไปบ้านไปบ้านก็ยังไม่ได้คุยเขาไปหาอะไรให้พ่อแม่กินไปอาบน้ําจนเสร็จธุระแล้วจึงมาคุยกับโยคีนิทานเรื่องนี้สอนอะไร ผู้ที่ได้ฌานโกรธแต่ก็ยังใช้ฌานได้อยู่ในตอนนั้นคนที่ได้ฌานนี่ยังละโลภโกรธหลงไม่ได้คนที่ได้ฌานก็เหมือนกับแม่เหล็กพอใช้ไปใช้ไปก็เสื่อมกามราคานี่เกิดไม่ได้ถ้าเกิดการมราคฌ า, านก็เสื่อมเรื่องที่เล่ามาทั้งแม่บ้านและคนขายเนื้อก็ยังทำงานอยู่กันทั้งนั้นแหละครับ ตอนนี้พูดถึงเรื่องปัญญาบางคนเรียนธรร ม, มะแต่ไม่รู้ธรรมคือท่องอย่างเดียวไม่เข้าใจบางคนรู้ธรรมแต่ไม่มีธรรมคือไม่ปฏิบัติตามที่รู้แล้วก็บางคนมีธรรมแต่แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ก็มีอันนี้ขาดปัญญาต้องวิ่งไปหาหมอดูเสดเพราะถ้าศาสตร์แสงสว่างแห่งปัญญาเข้ามา โมหะคือความมืดก็จะหายไปมีคนตั้งปัญหาว่าสาวะของพระพุทธเจ้าเคารพนับถือพระพุทธเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายเพราะอะไรแม้จะสึกไปแล้วบวชแล้วสึกไปแล้วเป็นค า, ารวะแต่ก็ไม่ขาดความเคารพพระพุทธเจ้าเพราะเหตุอะไรปริพาชกผู้หนึ่งซึ่งสนทนากับพระพุทธเจ้าก็ออกความเห็นว่า ที่เป็นอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้ามีพระคุณห้าอย่างคือมีอาหารน้อยสันโดษด้วยจีวรสันโดษ ด, ด้วยบิทบาทสันโดษ ด, ด้วยเสนาสนะชอบอยู่ในที่ส ง, งัดคุณธรรมห้าอย่างนี้ทำให้สาวกเคารพนับถือพระพุทธเจ้าอย่างไม่จืดจางพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าทำห้าอย่างนี้ สาวกบางองค์มีมากกว่าพระองค์เช่นมีอาหารน้อยสาวกบางองค์ยังมีอาหารน้อยกว่าพระองค์อีกหรืออยู่ในที่สังัดพระองค์ยังคลุกคลีอยู่กับใครต่อใครมากมายกระสัดบ้างพรา์บ้างแต่สาวกของพระองค์บางท่านอยู่ป่าตลอดเลยแต่ว่าที่สาวกเคารพนับถือพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลายนั้นก็เพราะ 1. พระองค์มีศีลที่ดีเยี่ยม 2. พระองค์แสดงธรรมเพื่อความรู้ที่เห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นและเป็นไปอย่างนั้นจริงๆ ร, รองตามแล้วเห็นจริงๆ 3. ทรงมีปัญญายิ่ง 4. เมื่อสาวกมีความทุกข์มาเฝ้าสามารถจะคลายความทุกข์ให้ได้ให้ได้รับความโปร่งใจห ทรงบอกปฏิปทาใดให้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อสาวกปฏิบัติตามก็จะพ้นทุกข์ได้จริงนี่ก็โยงมาถึงปัญญาว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้สาวกเคารพนับถือพระพุทธเจ้าอย่างน้อยสี่ข้อหลังเกี่ยวกับปัญญาทั้งนั้นอันนี้อยู่ในมหาสกุลุทายิสตร มัชิมานิกายมัชิมาปันนาเล่มที่สิบสาม